สงสัยอะไรัหมเกี่ยวกับเรื่องศีลสอบถามพระอาจารย์เรื่องคำพูดนิดนึงนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องเพลินเผชิญหน้ากับคำถามบางอย่างที่จำเป็นต้องตอบแล้วถ้าระหว่างคำตอบที่เป็นความจริงแต่ว่าเพลินไม่มีประโยชน์แล้วอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำรวมทั้งทำให้คนฟังไม่สบายใจครับกับคำตอบอีกแบบซึ่งไม่จริงแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ทำให้คนฟังสบายใจเนี่ยเราควรจะวาง ท, ท่าทีหรือว่าตัดสินใจยังไงครับถ้าตอบตามมาตรฐานของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ต้องเอาของจริง <c oughs> ของจริงเรื่องจริงแล้วที่มีประโยชน์แล้วเลือกเวลาอันนี้เป็นศิลปะละถ้าไม่จริงไม่พูดนะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกใช้ปัญญา เอ่อมันต้องมีวิธีที่จะพูดได้โดยที่ไม่ไม่หลอกไม่ลวงอย่างเช่นโจนรขาวแดงเคยได้ยินใช่ไหมโจรขาวแดงที่ทำหน้าที่เพชฌฆาตเพชิฆาตฆ่าโจรตัวเองก็เคยเป็นโจร น, นะตัวเองเคยเป็นโจรตอนไปสมัครเข้าแก๊งโจรเขาเรียกอะไรเป็นแก๊งก็บะป่ สมัครเข้าแก๊งโจรนะไอสมาชิกโจรเดิมเนี่ยบอกว่านายนายอย่ารับไอ้นี่โงเ่เฮงมันไม่ควรจะมาอยู่กับเราเลยมันเป็นโจรยิ่งกว่าโจรเพราะมันขาวแดงมันดูแล้วแบบมันดูจะโหดเกินไปหัวหน้าบอกเดี๋ยวเด๋ยไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะต้องใช้มันเหมือนกั น, นปรากฏว่าโจรแก๊งนั้นก๊กนั้นถูกจับได้ เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหไอโจรกเนี่ยตั้งห0 0รเนี่ยเป็นเลขกล ม, กลมๆแต่ว่าคงจะเยอะอยู่จะใช้เจ้าหน้าที่ตัดคอโจร500เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มองไปมองมาก็คงจะฟังเรื่องศีลแล้วก็ไม่อยากจะฆ่าคนแม้แต่เป็นโจรก็เลยประกาศไปนในหมู่โจรว่าใครอาสาเป็นเพชฌฆาตบ้างเราจะไว้ชีวิต ไอ้พวกโจรทั้งหลายก็ลักพวกพ้องไม่ไปไอ้ขาวแดงยกมือผมเองครับไอ้นังสกิดหัวหนาาเห็นไหมผมบอกแล้วบอกแล้วไอ้ขาวแดงเนี่ยโงเ่เฮงไม่ดีเสร็จแล้วไอ้ขาวแดงก็จัดการตัดแล้วมันก็มีกำลังมากตัดห้าร้อยุบๆๆๆๆเรียบร้อยก็เลยได้รับการ บำเหน็จรางวัลเพิ่มอีกว่าให้รับหน้าที่ประหารโจรต่อไปจับใครได้ที่เป็นโทษประหารก็จะให้ตะเข่าแดงเนี่ยเป็นคนตัดคอรับหน้าที่นี้จนกระทั่งแก่แก่แล้วก็หมดแรงยกดาบกจ็จะไม่ขึ้นแล้วนะฟันจึก๊กไม่ขาดจึก๊ก จนที่พอพอเลิกไม่ต้องละเกษียนเถอะเกษียนเถอะไปอยู่เป็นคนปกติเราอนุญาตให้ลาลางานเป็นเกษียณไปคราวแดงก็มาเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาตลอดชีวิตเลยตอนไม่มาทำหน้าที่เพชฌฆ า, าตก็เป็นโจรออกจากโจรมาก็ทําหน้าที่ตัดคอคน เรานี่ทำบาปเยอะเลยนะกำลังลำพึงลำพันอยู่นั่นนะแล้วพอกเกษียณมาเนี่ยแกก็มีเวลาว่างเวลาว่างของแกเนี่ยแกก็อาบน้ำอย่างสะอาดเลยนะประพรมนุ่งห่มผ้าใหม่ซึ่งไม่เคยนุ่งเลยทําสั่งลูกน้องให้ทำอาหารแกเงินมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะรับเงินมาไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าคงจะมีคนให้หรือว่าจะมี กินอย่างกระเม็ดกระแมเลยนะพอกะเกษียณแล้วแกก็มีตังค์เก็บเยอะสั่งให้เขาทำอาหารอย่างดีทำอาหารอย่างดีเตรียมจะกินเองอาบน้ำเรียบร้อยคนอินเดียเนี่ยจะจะทำอะไรต้องอาบน้ำเรียบร้อยนะประดับประดาไม่เคยประดับเลยดอกไม้ไม่เคยประดับเลยนะเพราะว่าคงไม่เหมาะกันหน้าแกมั้งขาแดงแล้วประดับดอกไม้ปรากฏว่ากาลังจะบริโภคอาหาร ภาษาลีบุตรเดินบินาบาทผ่านมาโอ้พระมาโปรดไม่ได้คิดว่าพระมาแย่งนะพระมาโปรดเราเนี่ยทำบาปผมลําพึงอยู่แล้วว่าเราทําบาปเราอยากจะทําบุญพระมานี่ก็ดีแล้วนี่มนท่านมาเลยไม่ตักบาตรด้วยนะนี่มนเข้ามาในบ้านเพื่อจะเลี้ยงอาหารให้เต็มที่เลยเอาเ้าเราเล่ามาพวกเรามาเอาอาหารที่เตรียมเตรียมไว้ให้เราแบ่งให้ท่าน ถวายอาหารตัวเองก็ยังไม่ได้กินนะก็ไปถือพัดโบกข้างๆคล้ายๆเปิดพัดลมนีเหมือนกันนะให้ท่านนั่งฉันแล้วก็เย็นๆด้วย<ม>โบกไปเ น, นะ่ยนะภาษาลิบุตรก็ดูแล้ว <c oughs> เขาก็อยากจะกินเหมือนกันตะเขาแดงอยากจะกินเหมือนกันโว้ภาษาลิบุตรจะกินไอ้ที่เราเตรียมจะกินเมื่อกี้นี่แหละน้ำลายก็เหนียวเงยเยเงยมึนมนเลย ภาะาตรบุฎก็มองท่านหยุดพัดก็ได้ไป บ, บริโภคอาหารเถอะให้จิตใจหายโกรนกระวายจากการอยากกินก่อนพอกินเสร็จกินพร้อมกันก็เสร็จพร้อมกันเสร็จพร้อมกันแล้วท่านก็จะอนุโมทนาคือจ ะ, สะแสดงธรรมอนุโมทนาแล ะ, สะแสดงธรรมปรากฏว่าตาเขาแดงก็ฟุง้งฟุ้งไปในเรื่องที่ตัวเองเคยทาผิดๆทั้งหลายแหลภาษาไตรปุเทศไปก็ทาไม ใจมันไม่มาเลยใจไม่น้อมมาเลยท่านฟุ้งซ่านเรื่องอะไรถามไปเพื่อให้เขาตอบนะแต่เขาแดงบอกโอ้จิตผมมันไม่ฟังท่านจริงๆมันมันไปคิดถึงเรื่องอดีตของผมอดีตอะไรละ่ะผมเนี่ยนะฆ่าคนมามากเลยบาปมากเลยภาษารีบุยก็ถามว่าไอ้ที่ฆ่าเนี่ยฆ่าเองหรือว่ามีคนสั่งให้ฆ่าเออเนาะ ใช่มีคนสั่งให้ข้าและสรุปเองเลยนะเพราะฉะนั้นกูไม่ผิดไอ้คนสั่งผิดอันนี้ไม่โกหกภาษาอีบุตรไม่โกหกนะแต่ใช้อุบายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตะเคาแดงเนี่ยฟุ้งซ่านในเรื่องความผิดของตนเองในอดีตจะใช้อุบายยังไงที่จะพูดไปแล้วให้แกสรุปเอาเองว่ากูไม่ผิดแล้วก็จะมาฟังทาต่อได้ แต่ท่านไม่ได้บอกว่าที่คุณทำนั้นอะ่ะไม่ผิดนะไม่ได้บอกนะเพะฉะนั้นวิธีจะพูดกับใครไม่จำเป็นต้องโกหกแต่พูดแล้วให้เขาสงบใจลงได้เตรียมที่จะฟังธรรมะต่อหรือเตรียมที่จะเจริญกรรมฐานอะไรต่อไปโดยโดยที่ว่าไม่มีความฟุ้งซ่านนั้นขวางอยู่ไม่ต้องโกหกลองเลือกดูอันนี้ต้องใช้ปัญญา อาจจะยากหน่อยเพราะระดับภาษารีบุตรือเปล่าคื อ, ค, อคือถ้าฟังตามหลักของพระพุทธเจ้าครับท่านจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ชคนฟังฟังเราไม่สบายใจท่านก็จะไม่พูดนะครับใช่แต่ในบางสถานการณ์เราถ้าเรายิง่งนิ่งหรือไม่พูดเนี่ยคือท่านก็ไม่ได้ให้นิ่งด้วยไมไ่ให้นิ่งทุกสถานการณ์รอันนี้ต้อง <laughs> ตอบแบบวิพัฒวิธียมฟัง <laughs> แล้วต้องตีเข่าด้วย กขต้องพูด่ อ, อไปใช่ไหมครับถ้าถ้าคือไม่ใช่ต้องพูดและไม่ใช่ต้องนิ่งเลือกเวลาพูดรู้เวลาพูดตอนรู้เวลาพูดนี่นะมันหมายถึงขนาดที่เรียกว่าได้เวลาแล้วต้องพูดไม่ให้เวลานั้นผ่านพ้นไปโอกาสที่เขาจะรู้ทำมันอยู่ช่วงนี้ต้องพูดตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องพูดถ้าเลยเวลานี้แล้วหมดโอกาส าทางทั้งที่พูดตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคือไม่ว่าจะต้องรู้เวลาพูดแล้วมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรื่องจริง ม, มีประโยชน์แล้วรู้เวลาแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่พูดใช่แต่ว่าถ้าถูกคาดคันว่าแล้วเราเราไม่พูดมันก็จะเหมือนว่าอ๋อถ้ายางเงี้ยนะต้องดูว่า บางทีถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดความสัมพันธ์จะเสียไปบางทีก็พูดไปก่อนตอนนี้มีประโยช น, น์เป็นประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งเป็นประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งว่าเออทำให้จิตใจก็อ่อนโยนไม่มองเราเป็นศัตรูมองเราเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยเหมือนคนคนดูแลคนแก่คนดูแลคนแก่เนี่ย น, นะ แม่ต้องกินนี่นะหมอสั่งจริงไหมจริงแต่แม่เบื่อกูแล้วกินมานานแล้วไม่เห็นมันหายสักทีอย่างเงี้ยสิ่งที่พูดนั้นจริงไหมจริงมีประโยชน์ไหมจากใจแล้วเราก็คิดว่ามีประโยชน์นะแต่ผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละพวกกันใช่ไหมมึงเป็นพวกเดียวกับหมอ ไม่ใช่พวกเดียวกับกูเนี่ยนะเราต้องเอาหมายลองลองแม่กินอะไรกินเลยแต่หมอบอกแล้วนะกินอันี้แล้วจะมีผลอย่างนี้กินอันนี้แล้วจะมีผลอย่างนี้ไม่กินไอ้นี่แล้วจะมีผลอย่างนี้มดดแม่ลองทำดูแล้วถ้าเป็นอะไรเราไปหาหมอกันอย่างนี้แม่จะรู้สึกว่าเออลูกกับกูในพวกเดียวกัน แล้วมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยไปหาหมอแล้วเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หมอกับมึงเนี่ยลุมกูใช่ไหมรูเ่นเพราะจริงเรื่องที่ถามก็เรื่องคุณแม่แหละครับเรียนถามเรื่องของสัมมาอาชีวะค่ะการที่พระบางรูปเนี่ยท่านดูดวงดูหมอให้กับญาติโยมนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเลยแบบว่า ก็ลักษณะว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ทําบุญอย่างนี้จะเข้าข่ายไหมคะอยู่ที่เจตนาของท่านท่านมีเจตนาอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่รู้สิแล้วแต่เจตนาของท่านเรารู้เจตนาของท่านไหมล่ะแล้วแต่กรณีถ้าเจตนาหวังจะช่วยโยมแต่จริงมันก็มีวิธีช่วยอย่างอื่นหลายอย่างมันก็เป็นอุบายวิธีเป็นอุบายกรรมวิการค่ะคือ หนูมีคาถามเรื่องอย่างเวลาบางทีเวลาเรามีเรื่องกุ้มใจแล้วเราจะระบายให้ให้เพื่อนร่วมงานฟังให้ญาติพี่น้องฟังตอนเราคิดเนี่ยเราคิดแค่ว่าเราอยากจะระบายแต่คําว่าระบายบางครั้งก็มีพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้บนคนนั้นคนนี้แล้วก็แต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เขาแตกแยกอะไรแต่แต่ในในความรู้สึกเราแต่พอพอพูดไปแล้วสักพัก แต่ก่อนไม่คิดอะไรค่ะถ้าเรือ่องหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราพูดไปเนี่ยเราไปอยู่ให้เขาแตกแยกกันหรือเปล่านี่ไงมันมาอยู่ที่จุดที่องค์ประกอบในการตรัสของพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นจริงไหมมีประโยชน์ไหมบางทีมันอาจจะจริงแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดแถมยิงมีโทษ ด, ด้วยถ้าเราพูดไปแล้วประเมินได้ว่าเออพูดอย่างนี้แล้วมีโทษก็จําไว้ว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันมีโทษต่อไปจะไม่พูดอย่างนี้อีก เป็นบทเรียนแต่ถ้ามันมีการพลาดพิงและทำให้คนอื่นเสียประโยชน์หรือได้รับโทษหรือไม่สบายใจก็หาโอกาสไปขอกระมาขออภัยในสิ่งที่เราได้ผิดพลาดไปโอวันนั้นมันเพลินปากไปหน่อยหรือว่าได้พูดได้พูดอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นหรือถ้ามีเจตนาจริงก็ขอขออภัย mm. เจตนาบางทีมันเจือเจือบางทีโทสะมันบังโทสะมันบังความไม่ชอบสถานการณ์นั้นไม่ชอบเหตุการณ์นี้แล้วมันก็เลยมีโทสะมาบังและเป็นแรงขับในการแสดงออกทางวาจาสร้างกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรม มันก็เกิดจากมโนกรรมขึ้นมาก่อนมีเจตนาพูดเพื่อระบายทุกข์แม้ไม่มีเจตนาโดยตรงที่จะไปกระทบใครแต่พอพูดพูดไปเผลอเลอขึ้นมาถ้ามันเผลอและมีการกระทบบุคคลอื่นถ้ามีโอกาสก็ขอเข้ามาเขาการขอเข้ามาทำให้จิตใจเราอ่อนโยนและเป็นการผูกมิรคนที่ถูกกระทบ โดยคำพูดรับหลังถ้าไม่มีการขอเข้ามากันนะเขาจะผูกโกรธอย่างนั้นไปไปเรื่อยเป็นการผูกโกรธรับหลังแต่ถ้ามีการขอเข้ามากันแล้วเนี่ยต้องใช้กำลังใจอย่างมากเลยสำหรับเราเองแต่พอเราขอเข้ามาไปแล้วเนี่ยมันเหมือนได้ยกอะไรออกไปที่มันหนักหนักอยู่ในใจคำไทยใช้คาว่า ยกโทษตรงเป๊ะเลยมันมีโทษอยู่มันมีโทษอยู่เนี่ยหนัก อ, อกหนักใจอยู่มากเลยเนี่ยแน่นอกยกออกไปผู้ที่ยกออกไปได้เนี่ยคือผู้ที่เราล่วงเกินนั่นแหละเวลาเราเราจะไปขอเข้ามากับเขาเนี่ยก็คือโทษของเรามีอยู่ในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอเข้ามาโทษท่าน ขอให้ท่านยกโทษนี้ให้เราด้วยโทษนี้จะไม่ยกไปเลยถ้าท่านไม่ยกให้คำไทยนะให้เขายกโทษให้เราอย่างโยมมาขอขมากับพระสมมตินนะพระก็อาตมาให้อภัยอาตมาให้ขมาและถ้าอาตมามีความผิดอะไรต่อโยมก็ขอขมาด้วยขออภัยด้วยต่างคนต่างยกโทษให้กันเบาด้วยกันทั้งคู่ คาไทยนี่ลึกนะยกโทษให้ยกเบาเลยโทษนี่มีอยู่ใครยกให้ไม่ได้นอกจากคนที่เราล่วงเกินนั่นแหล ะ, ะสำหรับโยมที่ได้ทำบุญกุศลในวันนี้เป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นพละวะปัจจัยส่งเสริมให้ทุกๆคนในที่นี้มีความ เจริญในศีลในสมาธิในปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะตั้งใจรับพร อ, อุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำแล้วให้กับหมู่ญาติของเราให้กับพ่อแม่ทุกภพทุกชาติปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถวายเป็นพระราจกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและรัชาทายาททุกๆพระองค์ ให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยตลอดกาลานานอุทิศให้กับเหล่าเทพ ย, พ ย, ายดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดีที่ปกปักรักษาสถานที่นี้อยู่ก็ดีให้ท่านได้มาอนุโมทนาในส่วนบุญสมกสนที่เราได้ทําแล้วสําหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์อยู่รับรู้ส่วนบุญที่เราอุทิศให้แล้วนี้ ตจงมีบุญกุศลเพิ่มพูนเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปสู่ภูมิที่เป็นสุขเป็นสุขติในเบื้องหน้าที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยความพ้นทุกข์ศึกษาในถ้อยคําของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยะทาวริวารปุราบริโพเรนติสาการัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชันใดเอวเมวไวโตตินังเปตานังอุปกับปติทานติทานุติไห้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ติละโลกนี้ไปได้แล้วฉ น, นั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังก่ออิทธพลท่ท่านปราตนาแล้วตั้งใจแล้วกิพเมวสมิจจตุจงสาเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังกปาขอกวนดาริทั้งป่วนจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิชโชอติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันทุสัพปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน